ทําทำบุญต่อเลยภาวนาต่อเลยสวดมนต์แล้วนั่งตัวตรงๆมือซ้ายวางบนตักมือขวาทับมือซ้ายนั่งหน้าตรงๆหลับตาลงไปเราสติไปตามใจถ้าใครใจไม่มา ก็ให้ไปตามมาไปที่ไหนไปห่วงอะไรไปเที่ยวทางไหนก็ไปดึงมา <c oughs> เวลามาแล้ว <c oughs> ก็ให้ผูกไว้ผูกอะไรเอาไว้ผูกใจใจมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวกวอกแวกกวอกแวกแพ๊บเดียวไปถึงไหนแล้วก็จะนั่นใช่ เชื่อผูกไวก็คืออนาปานุสติคือลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่เรียกว่าดูบุญถ้าดูก็เห็นถ้าเห็นก็รู้ว่าบุญมันเป็นยังไงบาปมันเป็นยังไงตั้งสติดูดีๆให้เห็นลมเข้าชัดๆลมออกชัดๆลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก ให้ดูอย่าให้เผอสติควรจะเวลาแล้วลุกมือใส่หัวก็นั่งฟังต่อไปอีกพูดสูกันฟังถ้าได้ทำแล้วได้ดูแล้วก็ได้ฟังถ้าไม่ได้ฟังเราก็ไม่เข้าใจ อยากให้เข้าใจพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธทำบุญทำทานทำบุญทำทานทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายชาวไทยต้องรู้จักคำว่าทานรู้จักว่าบุญทานศีลภาวนาพระพุทธเจ้าได้ ต, ตรัสรู้แล้วควรจะให้คารวะญาติาจโยม ทำอะไรทำบุญรักษาศีลทานศีลบุญนั่นและก็เข้าใจในตัวของเรามีอยู่สองอย่างหนึ่งรูปสองนามรูปมาทำคือตัวเรานามมาทำคือใจเรานี่ ทไม่รูปส่วนมากเราก็ไปดูแตกกายเรียงแตกสังขารร่างกายรักษาแต่สังขารร่างกายหาจตุปัจัยเงินทองเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะสังขารร่างกายไม่ใช่หรือนะแต่รูเรื่องรูราวรูภาษามารูร่อนรูหนาวรูเหีว้วรู <c oughs> อิม เราเคยเลี่ยงใจกับเลี่ยงร่างกายเลี่ยงอะไรมากกว่ากันดูร่างกายกับดูจิตใจดูอะไรมากกว่ากันถามใครละ่ะถามใจของเราถามพระพุทธเจ้าคือใจของเราพุทธแปลว่าผูร้รู้นั่นรู้อะไรรู้ใจเห็นใจถ้าเห็นใจรู้ใจนั่น นั่ะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ใจตื่นจากบาปจากกรรมตื่นกับบุญกุศลว่ามันมีความสุขถ้าบาปมันร้อนนั่นหรือถ้าเทียบอีกคำหนึ่งหลวงพ่อพาทำอะไรเมื่อกี้นี่บอกทำอะไรเมื่อกี้นี่บอกทําบุญนั่นแหละ สวรรค์นในอกนรกในใจถ้าอีกคาหนึ่งก็ดูสวรรค์พาดูสวรรค์พาดูนรกถ้าเห็นใจก็เห็นสวรรค์ถ้าเห็นลมก็เห็นสวรรค์ถ้าเห็นร่างกายก็เห็นนรกเข้าใจไหมแต่งร่างกายเพื่ออะไรเพื่อสวยงามสวยงามมีคนรัก รักแล้วชอบกันชอบกันแล้วก็หึงกันทะเลาะกันมีความสุขไหมต่ำรวยกลัวเขาป้นกลัวเขาขโมยกลัวเขาคิงกลัวเขา <c oughs> โกงคนอื่นมายืมไม่เอามาส่งฟ้องร้องกันเป็นบาปไหมนั่น นั่นแหละสวรรค์นในอกนรกในใจสังขารร่างกายไม่รู้สวรรค์นรกหรอกไม่รู้สุกรู้ทุกรู้สุขรู้ทุกคือตัวใจใจไม่มีสติปัญญาว่าทุกเป็นสุขนั่นก็ว่าสวยงามมันมีความสุขเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีปัญญา ความจริงนั่นแหละตัวมันทุกข์ตัวสวยงามนั่นแหละที่ความอยากอยากงามมาันก็ทุกภาระ แ, รแล้วไปงามเข้าไปอีกก็ทุกมีคนมาชอบอีกก็ทุกทุกเพราะกลัวมไม่งามกลัวเท่ากลัวแจกกลัวเก็บกลัวป่วยกลัวร่มกลัวตายแต่ความเป็นจริงพูดว่าอะไรเมื่อกี้นี่ เรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเจ็เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดผาาจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาไหมใจมันปล่อยวางได้ไหมเป็นอะไรนิดหน่อยไปหาหมอหรือบางคนยังไม่เป็นก็ไปรักษาไปตรวจเอาไว้ไปรักษาเอาไว้ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจึงค่อยไปหาหมอ ไม่เป็นไปตามคำพูดพูดอย่างหนึง่งถือไปอย่างหนึง่งเชื่อไปอย่างหนึง่งนั่นเราเกิดเราเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์รู้จักไหมคาว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์รู้ไหมท่องได้แต่ไม่รู้จะ เ, เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเวลาไม่มากให้พยายาม วจสองสามบทชลาธมมิกับอยังโคเมกายโยสองสามบทนี่ก็พอแล้วนั่นแหละการฟังธรรมของพุถเจ้าอยู่ทุกวันทุกเวลาชลาธมมิชลังอณติโตกายาคตาสติภาปนานะเราก็มาท่องอยังโคเมกายโยกายของเรานี่แร่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ใบผมลงไป ผลสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ว่าอะไรเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล้งขามอากาศเราจงมาพิจารณาเนืองๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดนั่นได้อามาพิจารณาไหมหรือว่านิดหน่อยถ้าว่ามากไม่ทำหลอกใจพ่ะยามันไม่ให้ทำโอยไม่มีเวลาจะไปสวดไม่ได้สวดมวนต์ไหวพ้พระนั่น อานิดหน่อยพอได้ฟังพอได้กําหนดรู้กําหนดให้ถึงใจไม่ใช่พูดแต่ปากเฉยๆให้มันไปถึงใจว่ัชาราธรรม ม, มุนีจรรย์อนติโตเรามีความแจ็เป็นธรรมดาจะล่วงพล้นความแจ็ไปไม่ได้ไม่ใช่ส่งใจไปทางอื่นส่งใจไปตามคําพูดจนมันแน่นเข้าไปถึงใจแล้วนะความแจ็มีความเจ ى, ม็บ ม, ม, ม, มีความตายเป็นอย่างนี้นี่ธรมธรมดาธรรมดา พ่อแม่ปู่ย่าตาใจไปแล้วจะทวนเท่าไหร่ไปรักษาเท่าไหร่มันก็หายแล้วมันก็ยังอยู่คือจะตายนะหายมาแล้วหายมาแล้วนะแต่ก็ยังอยู่คือจะตายและก็ยังจะมีตายต่อไปอีกพบหน้าพบหลังพบนูน่นพบนีนบนน่ชาตินูน่นชาตินีน่ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กักน <c oughs> <c oughs> นั่น โรงพยาบาลไหนไม่มีหรอกจะรักษาให้หายยกเว้นเฉพาะโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อเคยแกะรั่วแกะอะไรว่าจงรักษาใจนั่นถ้ารักษาใจได้ไม่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมดปัญหาหรือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจุดนี้เหรอหรือไม่เชื่อพระเจ้าสอนคนสอนคนมีชีวิต สอนคนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นว่าคนปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนยืนลำพึงลำพันธ์เจ็ดวันเจ็ดคืนนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าทำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มันยากถึงกับท่อจิตท่อใจหรือท่อพระไทยว่า เราตถาคตในตัตรูทำไมยากทำไมยากทำไมยากแท้จะมีคนปฏิบัติได้ไหมคิดถ้าวันหกวันเจ็ดวันวันท่วเจ็ดก็ว่าโอ้เราก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษมาจากไหนยังขนขวยกัดแก่งสแสวงหาได้มาแล้วยิ่งมาบอกเอาไว้ให้คนอื่นทำตามคนไหนมีความภาคความเพียรทำตามเราตถาคตได้ บรญจัิได้แล้วบอกไว้แล้วพระธรรมวิัยนั่นเพราะมีความสามารถพ้นได้เหมือนกันจึงไดนะ้วางนะวางหลักพระธรรมพระไตรปิฎกเอาไว้ถ้าไม่มีพระไตรปิฎกแย่ yeah. ปฏิดูประเดสวาโซจะปุปเพจะกตะปุญญาตานั่นสร้าง ไ, ได้สร้างสม บ, บมุญลมบุญกุศลมามากแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคู่เป็นคนได้พบ พระพุทธศาสนานั่นแหละคำว่าปฏิรูประเดสวะโสจกักคือประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหลักศิลธรรมนะไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติของโลกียะของโลกียะรวยไปแล้วมันก็เอาไปด้วยไม่ได้พอไปใส่ปากง่ายเขาก็เจ็บขึ้นมาอีกจะเอาอะไรไปได้ผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้ทำไมไปรัก ถึงกับดืมใจเราเพราะเราขาดการดูใจขาดการทําบุญขาดการภาวนาว่าได้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงคือตัวปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเข้าใจไหมไม่ใช่แสงสว่างเสมอทูบเทียนดอกไม้ไม่มีไม่ใช่แสงสว่างเสมอดวงอาทิตย์ ร้อยดวงพันดวงนั่นไม่ใช่แสงสว่างเพราะเรามีดวงตาพันดวงแสงสว่างเพราะปัญญานั่นถ้ามีปัญญาก็มองเห็นสวรรค์มองเห็นนรกทุกคนมีตามีดวงอาทิตย์มีอะไรสว่างซื้อมาหลอดไฟราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ทําไมไม่เห็นไปพนันธุพาน์เรา ตองใช่ธรรมะจักษุคือตาภายในนั่นตาภายในคืออะไรตาปัญญามีความรอบรู้ความรอบรู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาตาของเราจะมีความรอบรู้ในกองสังขารไหมมิต่รักสวยรักงามอยากสวยอยากงามทำลงไปก็อยากสวยอยากงามประดับประดาตรงนู่นทำนี่ยุ่งไปหมดนะถูกไหมคนเราชอบยุ่ง หลวงพ่อห้ามแล้วห้ามอีกห้ามแล้วห้ามอีกนะห้ามบูชาดอกไม้ทุกเตียนมันเป็นแนวทางของกุลบุตรลูกหลานจะทาตามนั่นห้องพระที่นุ่นห้องพระที่นี่หิ้งพระที่นุ่นหิ้งพระที่นีนนน่เต็มไปด้วยดอกไม้ทุกเตียนที่นี่นสำหรับนิ้วมือเอาไว้ทำอะไรหรือไว้ทำมวยของคนหรือ ต, ตีหัวคน พนมข้าวให้เป็นตูมบัวพนมดอกมือข้าวให้เป็นตูมบัวนั่นอยากกราบตรงไหนอยากไหว้ตรงไหนเราเลือกถึงพระ เ, รเจ้าเวลาใดได้มากราบมาไหว้ได้ทุกเวลาไม่ต้องไปแสวงซื่อหาให้มันยุ่งเอามาประดับประดายุ่งเห็นไหมที่เอาประดับประดาไหว้ถ้าเอาออกเป็นยังไงมันสบายตาสบายใจ มันแสลงใจดูดูแล้วเพลินเพลินไปนะแล้วค่ากับประดาประดาเพื่ออะไรสวยงามสวยงามเกิดแล้วเข้าใจไหมถ้าไม่อยากสวยงามกดดับตาเข้าไปดูลงเข้าลมบอกเห็นเห็นเกิดไหมดูลงเข้าลมบอกอ่ะดับหมดแล้วความเกิดความแจ่ความสวยความงามความร่ำความรวยความโลภ ก, ก็ไม่มีแล้วเบาใจที่สุดนั่นแหะ สุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าสติดีๆไม่เห็นความปรุงแต่งไม่เห็นความอยากกล่ําอยากรวยไม่เห็นความสวยอยากสวยอยากงามไม่มีมีแต่ดูลมเขา้าลมออกลมเขา้าลมออกลมเขา้าลมออกนั่นสงบไหมนั่นน ะ, ะสุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีทําไปเถอะเคยจำเคยจำคราวไหนก็บอกว่าให้นั่งทุกวันวันละหนึ่งนาทีวันละหนึ่งนาที นั่งก็คือการทำบุญนั่งก็คือการให้อาหารใจการแต่งใจการรักษาใจสำหรั บ, บสังขารนั่งกายแต่งเท่าไหร่ตะหลงทั้งนั้นนะเรื่องเท่าไหร่ก็หิวอยู่จังนั้นนจะจะัดเทศดีเท่าไหร่แต่งสำหรับไทยอะไรอะไรก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่คนเราก็ไปติดพิธีรีตองแบบโลกจี๊ยะถ้าเป็นไปเพื่อเออป่าไปด้วยกิเลสชอบทำ เข้าใจไหมคนเราชอบยุ่งไปถามใครล่ะไปถามใจของเราล่ะเราชอบยุ่งไหมโดยเฉพาะหมู่บ้านของชนบทต่างจังหวัดออกจากกรุงเทพมาทังนี้แหละถ้าเทเทียบแต่ก่อนว่าชนบทบ้านนอก อ, อยู่ปา่าอยู่ดงไม่มีเครื่องยว่ยยวนกว น, กวนกจิตใจ ทำอะไรก็ทำมาหาเรี่งคีบแบบธรรมชาติธรรมชาติเครื่องควบเครื่องเที่ยวเครื่องรับประทานอาหารก็ใช่ของธรรมชาติของธรรมชาติรู้จักทาเป็นรู้จักหาเองเป็นทุกวันนี้มีแต่ของในหลวงทำไ้ทนานาข้าวเต็มทุ่งนาก็ไม่เจ็บเกี่ยวก็ไม่ทาเจ็บเกี่ยวมาแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้ที่เจ็ดสีที่เจ็ดหนึ่งขีเจ็ดหง อาหารก็ทําไม่เป็นแล้วทุกวันนี่เห็นไหมล่ะมีแต่ลายเอาลายเอาลายเอามีแต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคําพูดของตนของกูของกูของกูก็ทําเองที่อาตาัตยิอัตาโนนาโถตนนั่นแหละเป็นเพื่งของตนเพื่งแต่ในหลวงเวลาไปถามวันศิลมันพระยมวันศิลมันพระทําไมไม่ไปวดัดผมยุ่งนั่นคำตอบ ก็คนเราชอบยุ่งก่ทํทำอะไรถามอะไรก็มิได้ชอบยุง่งชอบยุ่งถ้าผมมันยุ่งก็แถมมันออกแต่ก่อนทำไรทำหน้าก็ตั้งฝืนไปปฏิบัติธรรมถึงวันสิ้นันพระก็หยุดแรงงานหยุดทำไรทำหน้าหยุดวัวหยุดควายพักผ่อนแรง วันศิลปะเตรียมสิ่งเตรียมของไปนั่งสมาธิทําทานไปนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาจําศีลจําวัดถึงกับวันเชา้าตอนเช้าพระสงฆ์ออกเป็นธบาดก็ถึงแยกย้ายกากับหรือคนเท่าคนแจกวันไหนพระเจ้าพระสงฆ์จะไปบาด ท, ที่บา้านก่รับบาดไปให้พระเจ้าพระสงฆ์กุบายจานหลวงปู่หลวงพ่อไปอีกก็ยังมีทุกวันนี่โอ้ยมันน่าสลดจุดนี้นะ ถ้าไม่รีบทําเอาเราจะไปทําเวลาไหนพระพุทธเจ้าสอนคนและก็สอนคนที่ยังมีชีวิตสอนคนให้ดูถ้าดูก็เห็นก็รู้ถ้าไม่ดูไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้เห็นสวรรค์เห็นนรกสวรรค์ในอกนรกในใจนั่นไม่ต้องไปหอหาหรอกถ้าดูจุดนี้แล้วก็เห็นทั้งนั้น หลวงพ่อก็พาทำแล้วเมื่อกี้พาดูแล้วมันไม่ได้ซื้อสักบาทนะถ้าได้ซื้อหลวงพว่อไม่บอกนะแต่งใจรักษาใจไม่ได้ซื้อให้อาหารใจเลี้ยงใจไม่ได้ซื้อนั่นถ้าไม่แต่งเราไล่ไล่ไปเสียชีวิตแล้วทุกที่สุดคือหาที่เกิดตอนนี้เราเกิดมาแล้วเราไม่รู้มีความทุกข์มันเป็นยังไงนั่งเจ็บปวด เดินนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอหิวข้าวไปหารับประทานอาหารมีแต่แก้ดิ้นต่อยอะแก้แล้วมันก็ถึงเวลาก็หิวอีกมีปัญหาอีกแต่งตนแต่งตัวประดับประดาอีกอยาสีฟันจีรอดเดือนหนึ่งสบู่ีก้อนเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเครื่องนุ่งเครื่องผมเต็มตู้อยู่เขามาขายก็ เออมาไม่รู้เอามาอะไรต่ออะไรนะเพราะจะต้องค่าใช้จ่ายของคนไทยทุกวันวันละพันก็ไม่พอใช่เพราะใช่ยังไงของปะของอะไรก็ไม่ปะไม่เย็บเหมือนก่อนมันทะลุนิดหน่อยก็ปะเอาทุกวันนี่ทิ่งทิ่งควงควงบางทีซื้อมามันได้ใส่ก็เสื้อไหมซื้อมาไม่ได้ใส่แน่นตู่ หลงถึงขนาดนั้นนะคนเราแต่งไปเที่ยไหนก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายเต็มไปด้วยของสมัยสะอาดเอามาล่องท่องแล้วก็มาดูสิจะไปกระตือร่นก็ห่อสังขารร่างกายสกรปรกที่สุดคือคนนะสัตว์ล า, าสิงเขายังมีขนหุ้มที่ี่คนเราถ้าธรรมชาติเลยลองดูนะกำหนดดูนะเล็บไม่ตัดอะไรก็ไม่ตัดปล่อยตามธรรมนัตธรรมชาติเหมือนสัตว์ มันจะน่าดูไหมมันสกปรกก่าสัตว์อ่ะน่ากลัวกว่าสัตว์จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะต้องเห็นอยู่ในปา่าเถอะตั้งแต่เมื่อวันเกิดมาไม่ต้องไปทําอะไรสักอย่างปล่อยธรรมชาติลองดูนั่นให้แต่งอยู่แต่อย่าให้เกินพอดีพระบรมราชวาดจงยินดีกับของได้จงพอใจกับของมีจงรู้จักคําว่าพอเพียง เพียงพอพอเพียง น, นี้มันไม่พอเพียงมันก็ไปสิ้นสุดมีความสุขตรงไหนมันไม่มีความสุขเลยโลกิยะถ้าไม่มีศีลธรรมของพูะเจ้าไม่มีความสงบในศีลในธรรมไม่มีความสุขยิ่งทุกวันนี้ยิ่งยุ่งผู้ใหญ่ผู้โตก็ไปหาดูงานดูการต่างประเทศมาต่างประเทศมาต่างมาสิ่งดีๆ ง, งามๆก็ไม่เอามาใช่ วัฒนธรรมรักษากฎหมายวัฒนธรรมรักษาความสะอาดวัฒนธรรมหน้าที่อะไรเขารักษาหมดนะไปเมื่อกี้สามสี่ประเทศน่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเล็กๆ ก, กับประเทศไทยก็สะอาดเกาหลีก็สะอาดก้นบุรีก้นเดียวก็ไม่มีของบ้านเราหลุดดูไปตั้งขายอาหารริม้ยงน้ำตรงไหนตรงไหนสาดตรงไปน้ําสารลตรงไปน้ํา เออเดี๋ยวก็ไปว่าฝนตกมาน้ําท่วมน้ําท่วมหลวงพ่อว่าท่วมนิดหน่อยแค่นี้อยากให้ท่วมมากกว่านั้นก็ไม่ช่วยกันรักษาหรอกถุงพลาสติกสกรปรกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะแต่งตัวยั่วยวนเกิเยดก็อันดับหนึ่งของโลก ต, ตัวยวววั่วยวนก็พวกดาราทีวีนั่นแหละ ประเทศไทยประเทศรู่หลาภูมภ่มเฟื่อยประเทศเมืองยิ้มรุหลาภุมภ่มเฟื่อยอะไร เ, เสื้อก็ไม่มีแขนกางเกงไม่มีขามจะหน้าบูดใส่กันต่างประเทศเขารู้ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเห็นประเทศญี่ปุ่นใช่ว่าจะมีรถหรูหรุหล้หลาหลาโอ้ยมีรถกรบปิปกหน่อยประเทศไทยถ้าไปไม่แดงก็ไม่เอามานั่งถ้าราคาไม่แพงก็ไม่เอามานั่งเป็นนี่แข่งกัน พอไปถุยกันหน่อยตีปากกันชนกันแล้ก็เถียงกันตาดาตะแดงกันนั่นของเขาชนกันแล้วเขาก็โทรไปหาประกันเขาก็มาคุยกันเองไปไหนก็ไปไร่ด้คนไม่แพงนะไม่ไม่กดดันจิตใจนี่จะเป็นนี่ลรอกมันก็กดดันจิตใจถืออะไรกันนิดๆหน่อยไม่เข่งอะไรกฎหมายของเขาเราถ้าปิด ั้งสองข้างเราจิตไม่กดขี่ไม่ให้อีกไม่ให้นั่งอีกเลยไม่ให้ฉี่อีกเลยนั่นมันก็อยู่ด้วยความเย็นย้อยความล่มเย็นเป็นสุขเลยมันเราอ้อที่ไหนสู้ประเทศไทยไม่ได้เราสถานที่ต้องเที่ยวที่ไหนก็สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่วัฒนธรรมไม่ค่อยมีชาวไทยชาพูดแทนที่แทนที่จะมีน้านําจิตน้ำใจ เห็นคนต่างประเทศแทนที่จะแทนที่จะสนุกสนใจให้ความสะดวกอะไรต่างๆนานาวิทยามนาุษยของเขาเห็นไหมคนข้ามถนนถ้าคนไม่ข้ามถนนเขาก็ไม่วิ่งรถนี่สถานที่ข้ามนี่สถานที่อะไรมาบ้านเราออกจากบ้านไปรถชนกันไปต่างประเทศเป็นเดือนๆก็ไม่เห็นรถชนกัน มันก็ไม่มีความร่มเจ็นเป็นสุขแล้วยุ่งกันอยู่นั้นเพราะฉะนั้นพระยายามไม่มีศีลธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเราะเสียชีวิตแล้วทุกที่สุดทุกที่สุดคือหาที่เกิดตอนนี้เราได้เกิดมาแล้วอยากทำอะไรก็ทำได้แต่เวลาใจไม่มีร่างกายเรานั่นต้องเชื่อจุดนี้นะถ้าไม่เชื่อไม่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ตามใจชอบตามใจชั้น ทำในสิ่งที่ถูกใจซึ่งไม่คำนึงถึงความถูกต้องเพราะไม่มีปัญญาที่จะถูกต้องกับถูกใจมันเป็นยังไงแตกกันยังไงต่างกันยังไ ง, ก, ง, ไงก็คือปัญญาทาบุญกับทาทานแตกต่างกันยังไงตัวปัญญาจึงจะรู้นั่นทบุญอาหารใจทาทานอาหารกายทาทาน มีจุสูส4อย่างเครื่องนุ่งเครื่องหอม่มเข้าน้ำพัฒนาอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีแค่นั้นอย่างอื่นไม่เกี่ยวสำหรับหน้าที่ของพระสงฆ์นะผ้ <c oughs> ากรบเืินเดียวอยู่นั่นแหละขาดแล้วกับปะเอาขาดแล้วกระปะเอ า, า, า, าถึงมียกเป็นเอตาตะคะเป็นเอกในขงพระพุตะการ บวชเขามาใส่ผ้าผืนเดียวนุ่งห่มผ้าผืนเดียวคือพระมหากัจจปะปะแล้วปะอีกปะแล้วปะอีกปะผ้านั่น <c oughs> <c oughs> ก็เพื่อให้มันยึดถือไม่ให้หลุหลาไม่ให้ฟุ่มฟายไม่ให้จิตใจไปยึดติดกับผ้าไม่ไปยุ่งถ้าใช้ผืนเดียวเราก็สบาย พระเจ้าจึงยกเป็นเอตตาขคะคือเป็นเอกเลิศในการใส่ผ้านุ่งห่มเส้าหมองบางธาตบางรูปพระเจ้ากดทรงเสริมถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนั่นบางสกุลจีวรลังนิษายญาบรรพชาตตะเตจวชีวังอุดสหกรณีิโยอุดสหกรณีิโยก็คือให้อุดสหาพยายาม ใช่ผ้าบาังสกุลเป็นวัดเถิดนะบังสกุลก็ไม่เหมือนผ้าป่าเมืองไทยนะบังสกุลก็คือผ้าป่าตามภาษาคนไทยก็คือผ้าอยู่ในป่าผ้าอยู่ในป่าคือผ้าหอ่อศพสำหรับประเทศอินเดียนั่นแนวทางของพุนเจ้าผ้าพันโศผ้าหอ่อศพประเทศอินเดียนิยมผ้าขาวนะเหมือ น, นพอหมด ลมหายใจเข้าออกผ้าขาวหอ่อดีๆแล้วก็มัดท้ายมัดทั้งหัวดีๆแล้วก็ใส่สามล้อล็อกตอกล็อกล็อกลกตอ ก, ก, กไปสถานที่ผองเจหงเดียวอยู่แม่น้ำคงคาใครไปอินเดียก็คงจะได้ไปดูอยู่ไม่มีไฟดับตกทีเลยตรงนั้นไปคนหนึ่งได้ฟืนไปด้นเดียวสับฟืนใส่ไปทิ้งตรงนั้นไม่ก็ช่างไม่ใช่ไม่เขช่างคนอื่นไปเห็นแล้วก็เขี่ยลงแม่นาม้า แต่ยังไม่ไม่หมดนะไม่ได้ไปทําอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ขั้งพระพุทธการไปเห็นแก็ไปชักเอาผ้านั่นแหละมาเก็บมายอม <c oughs> ่อมเพื่อเด็ดเอาไปพิจารณาว่าผ้ามาจากที่ไหนผ้าก็มาจากหอสังขารร่างกายของคนตายหรือคนที่ไม่มีชีวิตเป็นจินอะไรเรจบสาบสืบๆก็แล้วก็มานั่งพิจารณาตัวเราก็ยิ่งสาบเหมือนกัน่ะ เป็นการเตือนสติผู้เจ้าจึงทรงสรรเสริญให้อดโสโฮกกรณิโยอุตสาหพยายามใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเถิด น, น, นะมีเหตุผลนะหืทุกวันนี้ไม่รู้จีตู้แล้วแต่ละวัดแต่ละวัดบอกว่าอยากขนของไปให้พระมากพระยุ่งไม่มีที่เก็บโยมเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง ไปไหนก็มีแต่เอาของเตรียมไปเตรียมของไปว่าไปอะไรยอมไปทาบุญทั้งกระทานไปทา บ, บุญนู่นไปทาบุญนี่ซึ่งพูดแล้วมันก็ไม่ถูกต้องนะไปทาบุญคือไตไปตัวเปล่านั่นเหมือนเราเดินทางจะไปไหนเราไปตัวเปล่ากับมีกระเป๋าเยอะๆอะไรมันง่ายกว่ากันเราอะไรสะดวกกว่ากันเรานั่น ใจถ้าใจตัวเปล่าใจเปล่าใจไม่มีอะไรแล้วก็ไปได้หนักกายอยู่ได้หนักใจอยู่ยากขับกายอยู่ได้ขับใจอยู่ยากยินไหมเข้าใจไหมจึงได้ย่ำเคยยำ่ำเคยบอกอยู่เสมอว่าข้อปฏิบัติสำหรับแนวทางที่จะหนีจากการเกินแก่เก็บตายคือให้รักษาใจ ให้หาความมีออกจากใจอย่าให้ใจมีอะไรอย่างถ้ามีจริงๆก็คือให้มีลมให้เห็นลมนั่นลมมันเป็นของเบาถ้าเห็นลมแล้วนั่นนะถ้าหมดลมก็รู้ว่าหมดลมแล้ก็ไปท่นนานไปเผาตรงไหนก็เผาไปเตะร่างกายนั่นไม่เจ็บมันป่วยแล้ว ที่มีกิจใจท่าน่ะที่ว่าเจ็บตรงน้นเจ็บตรงนี้น ต, นตัวใจนั่นเป็นเป็นภูไปว่าใจเอ่อป่าไปด้วยเกลียบไปว่ามันเจ็บมันหิวมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปสมมุติล่ะสําหรับสังขารร่างกายไม่รู้อะไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรู้ก็ไปนั่งดูก็ได้นั่นตลอดวันยังค่าก็เห็นแล้วเห็นทุกข์เห็นตายนะมันจะยกความตายมาใส่ให้เราดู คนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมเราเคยนั่งบ้างไหมเดี๋ยวนั่งตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่กระดุกกระดิกนะความหมายไม่ใช่ว่านั่งกระดุกกระดิกเหนื่อยกระดุกกระดิกแล้วกระลุกแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วกะ็ะลุกแล้วก็เดินแล้วก็นั่งอ น, นั่นใช่ไม่ได้ต้องอยิยาบทเดียวนั่งไม่กระดุกกระดิกข้าเดียวนั่นเลยมันเป็นไฟเผาขึ้นมาแล้มันจะไปถึงจุดไหนจุดตาย เคเตือนให้ฟังหรอกเงินทองกูฝากปลาเน่ามาผลในผ้านอยู่ฝากตายมันจะกำหนดตายให้ดูหรอกมันเจ็บถึงตายนั่นนะนั่นแต่มันไม่ใจจริงหรอกมันก็สมมุติมันก็ว่าไปอย่างนั้นแนะ่ะจิเลตมานะถ้าถึงข่าวจริงจริงก็เอามันไม่อยู่หรอกเจ็บไข้ได้ป่วยกว่าตายเห็นไหมล่ะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกว่าตายบางทีนั่งรถไปชนกันแพบเดียวกว่าตายหรือบางทีก็นอนไปก็าตา ย, ไ ป, าตายไปเลยก็มีไม่ เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะอยากดูอยากเห็นก็นั่งดูเอาไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดเล่นนะถ้าเราดูแล้วก็เห็นะคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมเราไม่เคยนั่งให้มันเห็นความทุกข์สตีใช่ความคิดอ่านใช่ควรพิจารณาบางคนก็ว่าไม่ต้องไปนั่งให้มันเจ็บปวดหรอกใช่สติปัญญาตัดจิเลศก็ได้ได้เหมือนกันแต่ชาต้าหรือเร็ว นะถ้าเราเขี่ยว เ, เข็นเอาตัวนี้่เอาสดดร่อนๆพ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงปู่เคยย้ำนะอยากเห็นสดๆได้ร่ากับฟาดมันต้องไปโดนขวแหงภาษาบานันท้อมะขวากแหงเอาเลยเขาตรงนี้แหละเขาง่ายว่ามีเสียหายว่ามีนิมิตําเพราะมันเจ็บมันปวดเด้อถ้าเขาสมาธิไปเรื่อยกับบางที่กับเพ้อไปสตินี่นั่นเป็นนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่รูปนั่นรูปนี้มีนั่นมีนี่อยากได้นั่นอยากนี่ เด็กก็ไม่มิดมาหล่อเป็นแสงสว่างเป็นแสงแกวถึงเพชรบางที่ก็เป็นเนีย่ยมากัดมาเส้นเสียเป็นสร้างเป็นว้วเป็นค้อยมาส้นกรรมสร้างกรำยังกรรมเขาถึงทอดไหมเห็นเวลาปฏิบัติถ้ำมันแล้วนั่นแต่ถ้าหากมันเจ็บแล้วมันไม่เผล่นะไม่มีง่วงเหงาเหงานอนไม่มีเผลอสติแล้วมันตัดการพังเผลอได้นะถ้ามันเจ็บัำมากอะ่ะอยากให้ปฏิบัติจุดนี้ นะอยากให้ให้อาหารใจให้รู้ว่าหลักธรรมคาสั่งสอนของพระเจ้าให้ปฏิบัติทําบุญให้ทําบุญอย่าไปทิ้งคำว่าทําบุญถ้าพูดว่าทําบุญไม่ไปทํารอกโกหกตนเองจิตใจเศร้าหมองมันอยู่ลึกๆนะคําว่าตัวกรรมของการโกหกอะเกียรตนาโกหกคนอื่นบ้างมันเป็นอย่างหนึ่งเกตนาโกหกตนเองอีกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโกหกตนเองโดยความไม่รู้ทันเท่าทันก็เป็นเหมือนหนักเบาแตกต่างกัน ไปทำบุญไปทำบุญนั่นบอกคนอื่นก็ว่าไปทาบุญไปแล้ไม่ทำก็โกหกแล้วไปทำบุญคือไปนั่งดูลมเข้าลมออกไม่ใช่เอาของไปถวายพระให้พระยุ่งต้องแยกออกนะหนึ่งทำบุญสองทำทานทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกายนี่ต้องแยกออกนะต้องเป็นสองความหมายถ้าพูดต่อกันเป็นความหมายอันเดียวไปทำบุญไปทำบุญไปทำบุญไปวัดไปทำบุญ ไปทำบุญก็ไปนั่งกาบรางไหว้นั่งดูลมเข้าลมบอกไม่ต้องไปยุ่งกับพระแล้วหรือกลัวพระไม่ยกยอ่อปอปัน้นถ้าไปตัวเปล่านัน่นก็ไปยึดอีกแล้วติกินนินทายกยอพอปัน้นเป็นเสนีย์จันไรแห่งมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปหวังผลอะไรแล้วไม่ต้องไปให้ว่าพระ ยกจอปอปั้นแล้วไปตัวป่าไปตามมัตยาใยเราดอกไม้เราก็ถือไปไม่ได้ไปซื้อเอาดอกไม้ไปกองมาเนินเพลินพึกจุดทูบจุดเทียนเผากระถางทูบเหม็นคุ้งเห็นไหมวัดจีนหายใจไม่ได้เลยเป็นโรคบอดบวมด้วยอเทศกาลมาฆวิสาขะเข้าพรรษาออกพรรษากองดอกไม้ไเนินเพลินพึกเอาขนหนีไม่ทันฝนตกมา น้ำเอาไปตันท่อนู่น น, นั่นไม่ได้ทำให้ตนเองเดือดร้อนทั้งนั้นนั่นแหละไม่เชื่อหลักคําสอนของพระเจ้าไม่เชื่อเหยียดผนก็ามาชาวไทยชาวพุทธวัฒนธรรมเคยไปกราบหลวงพ่อเป็น <c oughs> วัฒนธรรมว่าทางันประจําอําเภอ <c oughs> วัฒนธรรมรู้จักสินข้อสิบไหมไม่รู้จัก นั่นถึงข้อสิบ พ, พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ พ, ะพระภิกษุสงฆ์ถือเงินถือทองจับเงินจับทองตให้ พ, ะพระภิกษุสงฆ์ใช้จ่ายชาตรูพระราชตักไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองจริงๆก็สมมุติขึ้นมาพิมพ์ตัวหนังสือใส่แต่พระกิเลสหลายก็ไม่ได้ถือเงินถือกระดาษนั่นเห็นไหมเรามันมีราคาสมมุติมีราคาเท่านั้นตอนนี้นั่นแ่ะใช้จ่ายใช้สอยสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เรียกว่า ภาษาของพระเจ้าว่าปัจจัยคําว่าเงิ น, นแปลว่ามาจากคําของชาวบ้านอื <c oughs> ในรูปจุดเนี่ของอุตตเทนะ่านไม่ช่วยกัน ร, รักษาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเกิดจากพุทธบริษัทสี่ภิกษุสมณีอุบาสกอุบาจิกาอุบาสกคือผู้ชายอุบาจิกาคือผู้หญิงสิ่งใดถูกต้องจึงถวายพระสงฆ์ สิ่งใดไม่ถูกต้องตามหลักทำพิัยก็อย่าไปถวายให้พระสงฆ์เป็นบาปตัวเราก็เป็นบาปอีกนั่นนะช่วยกัน ร, รักษาพระศาสนาไม่ใช่พระสงฆ์อย่างเดียวนะญาติโ ย, ยมก็ช่วยกัน ร, รักษานั่นสรุปแล้วไปเสียจังเดียวคือขาดการดูนะคนเราไม่สมบูรณ์แบบขาดการดูใจขาดการทำบุญก็ว่าได้ นั่นถ้าเข้าใจคำว่าทำบุญคือไปทำให้จิตของเรานิ่งจิตของเราสงบจะได้เกิดปัญญานั่น น, นี่ข่านิยมคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ขนของไปถวายพระก็ว่าไปทำบุญบอกแงติพี่น้องอยู่น่นอยู่นี่เอ้ามาทำบุญทำบุญขนของไปใส่รถใส่ลาเต็มไปหมดจนกับกุฏิของพระสงฆ์ก็ไม่มีที่นอนมีแต่ของสังฆทาน ไปไ ป, ไปม า, มาพระสงฆ์ก็เลยขาย <c oughs> <c oughs> เราแต่ไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจก็เพราะเราไม่มีปัญญาหากการทำบุญไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เขาพาทำมาเขาพาทำมาเขาก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาก็คือคนโง่เขาเราจะไปเชื่อทำไมคนโง่เขาพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อทั้งนี้แหละไม่เชื่อ <c oughs> บาจารย์ไม่ให้เชื่อตำรับตำราไม่ให้เชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาให้เชื่ออะไรเหตุผลเราขาดการดูเลยไม่รู้เหตุผลจุดนี้แหละขาดการทําบุญเราไม่รู้เหตุผลว่าถูกต้องหรือถูกใจถูกต้องเป็นยังไงถูกใจเป็นยังไงขาดข้อเดียวคือขาดการดูแค่นั้นไม่ดูไม่เห็นไม่รู้นั่นถามใจของเราแนะ่ะถ้าเราดูเราเห็นเรารู้นั่นไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอก ปฏจจตังรู้จำเพาะตนพระเจ้าได้ตัดตัรูปใครไปบอกพระพุทธเจ้าได้ตัดตัรูปแล้วไม่มีใครบอกพระพุทธเจ้าปัิจจตังรูปจำเพาะตนนั่นทำมากี่ปีจี่ปีจึงได้ตัดสินใจว่าได้ตัดตะรูปหกปีนุ่นมันเป็นยังไงการตัดตัรูปที่นี่บอกไม่ได้ปัจจตังรูปจำเพาะตนผู้ปฏิบัติเห็นเองรู้เองหรือพุคนคนดูเห็นเองรู้เองถ้าไม่ดูไม่เห็นในรูปน่ะเมื่อก็ออยู่แค่นี้ เรืองอนาจเป็นกุศลออกตอนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องอาราธนาพระเจ้าพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อมาให้ข้อคิดข้ออ่านแนะนําคําสั่งสอนของพระเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่หลวงพ่อได้ปฏิบัติมาได้ก็จงมารวมกันเป็นบุญกุศลจงปกป้องปกปักรักษาออกตอนญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจะเริงสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโลกภัยกับงานจึงใด้ปัตตนาซึ่งหนึ่งอันใดก็จงสําเร็จจงสําเร็จ โดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงมีดวงตาดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในพวพชาตินี่เถิด